มารู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อมีมือหนึ่งจับฝามือที่ปิดหน้าของหลอนออกพระพินสีหน้าเครียดขึ้ยืนอยู่ตรงหน้าของหลอนพี่ใหญ่ลิมฝีปากอันแห้งผ่าของหลอนขมุกขมิบแทบไม่มีเสียงผ่านลำคอออกมาเขาตายเสียแล้วใช่ไหมพรานใหญ่สั่นหน้าช้าชา้าประคองหลอนให้ลุกขึ้นยืนตอบแผ่วเบายังหรอกคับคุณหญิงแต่หนักหน่อยเลือดออกมากเหลือเกิน สาหัสแค่ไหนเรายังไม่ทราบชาดเพรติดอยู่ในซอกหินเอาตัวออกมายังไม่ได้จนกว่าจะเคลื่อนหินที่ทับก้อนนั้นออกหญิงสาวมึนงงไปหมดเหมือนตกอยู่ในฝันร้ายที่จะเชื่อเสียไม่ได้จ้องหน้าพรานใหญ่อยู่เช่นนั้นถามด้วยเสียงกระซิบเช่นเดิมก้อนหินนั้นทับเข้าไว้ใช่ไหมครับแต่ตรวจดูแล้วมันไม่ได้ทับบทร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งของคุณชาย เพียงแต่อัดคล่ำร่างไว้เท่านั้นตำแหน่งที่คุณชายนอนเป็นซอกอยู่พอดีเขาารู้สึกตัวอยู่หรือเปล่าผมคิดว่าคงสลบครับพรานใหญ่ตอบแผลบทันใดนั้นชายยันก็กระโดดเข้ามาพูดเร็วปือชีพจรยังเต้นเราต้องเอาก้อนหินที่ทับอยู่ข้างบนออกแล้วอดีตนายทหารปืนใหญ่ก็หันมาทางเพื่อนสาวจับต้นแขนบีบไว้แน่น กล้มกลืนบางสิ่งบางอย่างลงคอพูดปรับใจทำต่ำว่าน้อยทำใจดีๆไว้ฉันคิดว่าเชืถาคงไม่เป็นอะไรหรอกเธออยู่ที่นี่ก่อนอย่าเพิ่งเข้าไปดูเลยจนกว่าเราจะเอาตัวเขาออกมาได้ฉันฉันทำอะไรไม่ถูกแล้วชัยยันหล่อนคลางเสียงสั่นเครือน้ำตาปลิ่มสายหน้าอยู่ไปมาแล้วมองไปทางพรานใหญ่พึมผอย่างเลื่อนลอยโปรดเถิดช่วยเขาด้วย รพินเรียกแง่สายให้เข้ามานั่งเป็นเพื่อนหญิงสาวอยู่ตรงนั้นเขากับชายยานพระไปที่ก้อนหินที่เชื่านอนหมดสติติดอยู่ภายใต้อีกครั้งภายหลังจึกตรวจดูบริเวณอย่างรอบครอบแล้วก็บอกว่าหินก้อนนี้น้ำหนักประมาณสองตันเศษเราพอจะขยื่นมันออกได้โดยใช้ควายทั้ง15้าตัวที่มีอยู่ช่วยกันฉุดร่ากชายยันเม้มริมฝีปากแน่นส่องไฉายตรวจดูซอกภายในอันมีร่างของเชืานอนคว่ำหน้าติดอยู่อีกครั้ง ในภาวะขับขันขี่สูตรเช่นนี้พิสูจน์ให้เห็นชัดว่าคนอย่างชายยานมีสติดีอย่างยิ่งแม้จะตกใจต่อเหตุการณ์สกปียงใดก็ตามเขาก็ไม่ได้ประม่างันงกจนเสียการเลยสำคัญที่สุดก็คือในขณะที่หินขยื่นเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่ามันจะไม่ไปบททับเอาเชืฐาเข้าพรานใหญ่สั่นศรีรษะชี้ดูซ้อแคบอันเป็นร่องพอดีที่ร่างกายของเชฐานนอนอยู่ไม่ทับหรอกครับ ผมกล้าหัวเป็นประกันคุณชายยันสังเกตบริเวณที่คุณชายนอนอยู่นั่นสิครับมันเป็นร่องลึกช่องว่างพอดีมุมพิงของหินก้อนนี้กับโขดหินที่ยันอยู่จะไม่มีทางเบียดชิดไปกว่านี้อีกได้แล้วต่อให้หินขยื่อนอย่างไรอดีตนายทหารปืนใหญ่กัดกรามนูนเป็นสันหลังเลอยู่ครู่ก็ตัดสินใจเอาละผมเชื่อคุณลงมือจัดการได้ระพิณก็สั่งการในทันทีนั้น ควายทั้ง15้าตัวถูกนําเข้ามาเชื่อมในด้านขนาดใหญ่มัดพันหินมฤ่อยู่ก้อนนั้นไว้แล้วโยงไปยังกําลังฉุดรากของควายทั้งหมดโดยเฉลี่ยกําลังให้ใช้ได้พร้อมกันหมดทุกตัวทิศทางที่จะฉุดให้หินขยื่อนกําหนดไว้ทางด้านซ้ายของเนินเขาอันเป็นระดับที่ควายจะออกแรงได้อย่างถนัดรถพีนกับชายยันคอยยืนคุมดูจังหวะของการขยับขยื่อนก้อนหินพร้อมทั้งเป็นฝ่ายออกคําสั่งพวกหนึ่งแยกไปคุมควาย อีกพวกหนึ่งคอยจังหวะนําตัวเชิฐาออกมาในทันทีที่พอจะนํารอดช่องออกมาได้ทุกสิ่งทุกอย่างดําเนินไปอย่างรวดเร็วแข่งกับเวลาโดยการประสานงานอย่างแคล่วคล่องพร้อมเพรียงเมื่อทุกอย่างพร้อมและภายหลังที่ตัวดูจนเป็นที่แน่ใจแล้วรับพินก็ออกคําสั่งให้ควายเริ่มฉุดเชือกในร่อนขนาดร่ามช้างเริ่มตึงขึ้นเป็นลำดับทุกคนใจเต้นระทึกขม่นมองไปที่หินใหญ่ก้อนนั้นเป็นตาเดียว ชายยันรงนอนพังภาพกับพื้นคอยสังเกตระดับหินเบื้องร่างที่ชิดกับร่างของเชิดาแล้วคอยร้องบอกรว่าหินอีกทอดหนึ่งอึดใจต่อมาหินก้อนนั้นก็เริ่มไหวตัวเบาๆเสียงตะโกนบงการและร้องบอกกันดังเอะอะไปหมดในที่สุดระดับที่มันพิงเบียดอยู่อย่างกระชั้นชิดก็ค่อยๆผระห่างออกและในทันทีที่ได้รับระดับพอจะฉุดร้างของเชิดาออกมาได้ ชายยันก็พวดก็ไปถึงสหายผู้หมดสติของเขาทางด้านสีษะจับซ้อแขนไว้ลากออกมาอีกหลายคนก็กลูกันก็ช่วยอย่างทันการเชิดถาวราลิธ์หลุดพ้นจากซ้อหินนั้นออกมาได้ในพริบตานั่นเองทั้งหมดนอกจากดารินและงแง่สายผู้นั่งอยู่ห่างๆผูเข้ามามุงล้อมอีกครั้งภายหลังจากการตรวจอย่างถี่ถ้วนก็พบว่า ไม่มีร่างกายส่วนใดของหัวหน้าคณะแหลกเหลวไปเหมือนอย่างที่วิตกกันในครั้งแรกแผลชะกันที่เกิดขึ้นนั้นมีเฉพาะที่ขาอ่อนเนื้อข่าซ้ายขึ้นไปเล็กน้อยเป็นรอยถูกคมหินบาดราวกับถูกฟันด้วยขวานลึกและยาวมากเลือดยังคงทะลักออกมาเป็นลิ่มอยู่เช่นนั้นใบหน้ามีรอยครูดกับหินถลอกปอกเปื่อและศีรษะแตกอีกสองแห่งเชื่าหมดสติหายใจรวยรว ย, รวยเชื่อที่ประจอติ้นอ่อน รื้อินเอาผ้าของม้าบิดเป็นเกลียวพันโคลขาคนเจ็บไว้ห้ามเลือดชั่วยขาวก่อนแล้วเหงื่ขึ้นบอกเร็วปื้กับชายยันตามคุณหญิงเข้ามาเติดครับเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าคุณชายเป็นอย่างไรบ้างนอกจากแพทย์เท่านั้นชายยันเพ่นหูตรงเข้าไปที่ดาลินผู้ยังนั่งซึมอยู่ฉุดแขนยืนขึ้นน้อยอย่าตะลึงอยู่อย่างนี้เราเอาเชือถาออกมาจากใต้หินได้แล้วเดี๋ยวนี้เธอคนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยเขาได้ แล้วช ย, ยันกระรา้าเขมือดารินวิ่งเข้ามาทุกคนที่มุงอยู่หลีกทางให้หล่อนแพทย์สาประจําคณะพยายามรวบรวมสติอยู่อึดใจกต็ตรวจดูที่บาดแผลและบริเวณทั่วกายของคนเจ็บอันเป็นพี่ชายร่วมสายโลหิตของหล่อนเองคนอื่นๆรายร้อมจ้องมองดูหล่อนด้วยใจอันสัน่นระทึกพี่ใหญ่ต้องได้รับการผ่าตัดเดี๋ยวนี้หล่อนเงยหน้าขึ้นบอกเสียงแตกผ้ามองไปยังทุกคนอย่างขอความช่วยเหลือ ชายยานคลางอยู่ในราคอหันไปมองดูระพินสั่งมาเถิดครับคุณหญิงต้องการให้พวกเรารับชายไรได้บ้างพรานใหญ่พูดโดยเร็วดาดินกํามือทั้งสองแน่นพยายามระงับความรู้สึกอย่างยากเย็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในขณะนี้ก็คือเราต้องการสถานที่มันต้องไม่ใช่ที่นี่แน่และต้องเร็วที่สุดด้วยเดี๋ยวนี้แหละระพินรุกขึ้นมองลงไปยังบริเวณแคมป์เบื้องล่างขณะ น, นี้ท้องฟ้าเริ่มสว่างขึ้นรางรางๆแล้ว เรากลับลงไปที่แคมป์ของเราได้แล้วครับพวกมันเปิดไปหมดแล้วผมรับรองว่ามันจะยังไม่ย้อนกลับมาเล่นงานเราอีกต ล, ตลอดระยะเวลา24ชั่วโมงข้างหน้านี้ถ้างั้นเอาเช่ฐานลงไปเดี๋ยวนี้เลยชายยันบอกทันควานโดยไม่มีการดังเลพรางหันมาทางดารินจ้องตางขม็งแผ่วเสียงรงน้อยเชือฐาจะต้องปลอดภยัยใช่ไหมเธอแน่ใจอย่างนั้นแพทสาวกัดริมฝีปากแน่นขอบตาแดงเรื้อ ฉันยังบอกอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นบอกได้อย่างเดียวพี่ใหญ่สาหัสมากช่วยกันแบกเข้าลงไปเถอะช้าไปแต่ละวินาทีความหวังมันก็หมดไปเท่านั้นแล้วพินสั่งการในทันทีนั้นลูกหาหลายคนตรงเข้ามาเพื่อจะช่วยกันหามร่างของคนเจ็บแต่แล้วทันใดร่างอันกำยำตะ ง, งานเนื้อของใครคนหนึ่งก็แทรกขวาเข้ามาเสียก่อนผู้นั้นคืองแง่ทรายหนุ่มชาวดงพนเจนจรโดยไม่เอ่ยคําใดทั้งสิ้น แง่ทายก้มลงช้อนร่างอันหมดสติของเชษฐาอุ้มขึ้นด้วยรำแขนอันแข็งแรงทั้งสองข้างเหมือนอุ้มเด็กหรือผู้หญิงเบาที่สุดนะแง่ทา ย, ายพยายามอย่าให้กระเทือนได้เลยดาลินสั่งแผ่วๆไม่กี่นาทีหลังจากนั้นทุกคนก็กลับลงมายัางบริเวณแคมป์อีกครั้งอันเป็นเวลาที่สว่างมองเห็นหน้ากันชัดพอดีกระโจมที่ขาดลงมากองคลุมพื้นถูกขึงขึ้นอีกครั้งสรรพสิ่งถูกจัดเตรียมขึ้นอย่างรวดเร็วฉับไว เพื่อให้ทันกับงานกู้ชีวิตของหัวหน้าคณะทุกคนทํางานกันอย่างหนักไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยอ่อนเพียวเหตุร้ายแรงที่เกิดขึ้นกระจัดความอ่อนเปรียวอิทรยที่ต่างได้ไปเจอมาจนหมดสิน้นมีแต่ความวิตกกระสับกระส่ายอย่างบอกไม่ถูกในกระโจมพักร่างอันหมดสติของเชี่ยฐานอนแน่นิ่งอยู่บนเตียงสนามดารินบาดนิสติสัมปชัญญะของร่อนกลับคืนมาครบถ้วนแล้วสํานึกบอกกับตนเองว่า ชีวิตของพี่ชายจะอยู่หรือจะไปย่อมขึ้นอยู่กับหล่อนคนเดียวเท่านั้นหญิงสาวปฏิบัติงานอย่างแคล่วคล่องรวดเร็วแต่รอบครอบทุกกระเบียดนิ้วด้วยอาการเคร่งครึมชายยันทำหน้าที่เป็นพยาบาลลูกมือผู้ช่วยเหลืออยู่ใกล้คิดรพระผีนยืนห่างออกมาเล็กน้อยคอยช่วยเหลือในวงนอกส่วนที่หน้าประตูกระจงแงซ า, ย, า ย, ยืนต่างงานในตาเบิกสว่างโพนอยู่ที่นั่นใบหน้าสีทองแดงนั้นดูเผือขาวผิดไป เบื้องนอกพลานแด ล, ลูกหาบทุกคนนั่งจับเจาารวมกลุ่มตลอดท้งบริเวณแคมป์เงียบสงัดชั่วขณะหนึ่งระหว่างจัดการอยู่กับคนเจ็บผู้เป็นพี่ชายง่วนอยู่นั้นทุกคนที่ร่วมอยู่ในเต็นท์เห็นสัญญาแพทย์สาวยืนกายสั่นเทาชะ ง, งักนิ่งอยู่กับที่ใบหน้าก้มอย่างท้อแท้ทอดอะไรซุดกายลงไปนั่งหวบกับเตียงสนามข้างๆอีกตัวหนึ่งคอตกชายยันกับกระพีก็คลดเข้าถึงตัวในบาดนั้น น้อยเสียงชายยันหลุดปากออกมาแหบเหือดแทบไม่ผ่านรำคอจ้องหญิงสาวด้วยดวงตาอันเบิกกว้างบอกสิเช่ทถเป็นไงดารินเงยหน้าขึ้นอย่างเช่มช้าริมฝีปากสั่นริกน้ำตาที่สะกดกั้นไว้เป็นหยิเวลานานบาดนี้ไหลลินเป็นทางหล่อนมองดูหน้าพรานใหญ่กับเพื่อนชายอยู่เช่นนั้นสออื้นขึ้นมาติดอยู่ที่ําคอ ไม่สามารถจะกล่าวคำใดออกมาได้นอกจากสายหน้าอยู่ไปมาชายยันจับไหลยทั้งสองข้างของหองขยาวโดยแรงกระหืดกระหอบลั่นเต้นน้อยเธอคงไม่บอกฉันนะว่าแช่ถามหมดหวังเสียแล้วฉันก็ไม่อยากบอกตนเองเช่นนี้เหมือนกันหล่อนพูดอย่างยากเย็นกัดกรามแน่นหน้าขาวเปื่อป่าจากสีเลือดพี่ใหญ่เสียเลือดมากเกินไป ความหวังของเรามีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือการให้เลือดโดยเรวที่สุดแต่เดี๋ยวนี้เราอยู่กันกลางป่าลึกเสียงของรอนขาดหายไปเพียงแค่นั้นมันเป็นความเงียบสงัดจนแท้ว่าจะได้ยินเสียงหัวใจของแต่ละคนเต้นชายยันกัดริมฝีปากแน่นหันไปมองหน้ารปินอย่างมืดมนพรานใหญ่ปาดแขนขึ้นเช็ดปลายจมูกผมคิดว่าควรจะมีหวังนะครับคุณหญิงอย่างน้อยพวกเราก็มีกันอยู่หลายคน และทุกคนพร้อมแล้วที่จะช่วยคุณชายไม่ว่าจะหนักหนาสักขนาดไหนถ้าหากว่าเราช่วยกันได้ฉันเข้าใจดีในข้อ น, นั้นและขอขอบคุณดาลินพูดด้วยเสียงไม่เกินกระซิบลักษณะของหลอนยามนี้เมื่อรอยสิ้นหวังหมดอะไรตายยากต่อทุกสิ่งเพราะความทุกข์กลัดร่วก็ครอบงำไว้โดยตลอดแต่คุณคงพอจะเข้าใจนะการถ่ายเลือดไม่เหมือนกับการถ่ายน้าสาหรับฉันหรือชายยานสองคนนี่ เป็นอันว่าหมดหวังแล้วเพราะเลือดของเราทั้งสองคนลั ก, กลุ่มกับของพี่ใหญ่ส่วนคนอื่นๆเราจะรู้ได้อย่างไรในเมื่อไม่ได้มีเครื่องมือสอบตรวจหากลุ่มเลือดได้แน่ชัดการให้เลือดผิดกลุ่มก็คือการฆาตกรรมชัดๆคุณชายเลือดกลุ่มอะไรขาถามโดยเร็วบอกกลุ่มเลือดของคุณมาดีกว่าหากคุณเคยเทสไว้ก่อนแล้วฉันจะบอกคุณเองว่าคุณจะกู้ชีวิตเขาวได้ไหมปุ๊บี ตรงกันกับของคุณชายหรือเปล่าดาลินทิ้งมือลงอย่างสิ้นหวังหล่อนไม่ได้ตอบคําใดแก่เขาแต่สายตาที่มองมานั้นย่อมบอกชัดขณะนั้นเองเงาต่ ง, งานเนื้อมของแง่ท า, ายก็เคลื่อนเข้ามาหยุดยืนอยู่ข้างเตียงคนเจ็ดทําไมนายหญิงไม่ถามแง่ท า, ายดูบ้างเสียงฮ่าวๆนั้นกังวาลไปทั้งบริเวณอันเงียบสงัด แกเคยรู้กลุ่มเลือดของตัวแกเองหรือไงซายชา ย, ยันขโมดคิ้วถามมาด้วยเร็วผมเคยได้รับการผ่าตัดในโรงพยาบาลเมืองย่างกุ้งมาครั้งหนึ่งผมจํากลุ่มเลือดของผมได้แววตาของสัญญแพทย์สาวตื่นขึ้นเล็กน้อยจ้องนิ่งมายังคนใช้ชาวดงเธอเคยผ่าตัดมาแล้วเนื่องในอะไร appendix หญิงสาวซอยปลือตาทีเร็ว แล้วที่เธอว่าเธอจำกลุ่มเลือดของเธอได้นั้นนะกลุ่มอะไรกุ๊ปอะไร AB n e กว่ายังไงนะบอกใหม่ซิงแงซายหม่อมราชุงหญิงดาดินร้องล่านออกมาเะอลึ่งพวดขึ้นยืนลืมตากว้าง AB n กก a t i f ดาดินตัวสั่นเทาอีกครั้งแต่ในครั้งนี้อยู่ในความหมายตื่นเต้นสมนัตแทบจะระงับไว้ไม่ได้ใบหน้าอันซีเซียวปรากฏสีเลือดขึ้นในบาดนั้น ตาเป็นประกายตรงเข้ามาขย่าวแขนแง่ทรายโดยเร็วร้องถามรร่ํารักเธอแน่ใจดูแง่ทรา ย, ายว่าเลือดของเธอกรุ๊บนี้จริงๆโดยจำไม่ผิดทุกคนเห็นใบหน้าสีทองแดงดวงนั้นยิงฟันยิ้มแน่ใจครับนายหญิงและถ้าหากเลือดของแง่ทรา ย, ายเป็นกลุ่มเดียวกับของนายใหญ่ก็ขอให้เลือดทุกหยดของแง่ทรา ย, ายจงไปช่วยชีวิตของนายใหญ่เถิด แม้ว่าแง่สายจะหาชีวิตไม่อีกแล้วภายหลังจากนั้นทุกคนอึ้งไปชั่วอึดใจในวาจานั้นแม้กระทั่งลพินเองดาลินรับตาลงประสานมือไว้ในระหว่างอกใบหน้าแงนเงยขึ้นพึมพำออกมาอย่างแผ่วเบาที่สุดขอบคุณต่อพระผู้เป็นเจ้าขอบคุณต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไม่กี่นาทีหลังจากนั้น ล่างอันกำยำสูงใหญ่ของอดีตนายทหารกองโจนกระเลียงผู้เข้ามาสมัครเป็นคนรับใช้คณะเดินทางก็นอนนิ่งเหยียดยาวอยู่บนเตียงสนามเคียงคู่กับเชิฐาระหว่างการถ่ายเลือดเจ้าหนุ่มชาวดงผู้ลุกนับนอนแงนมองหลังคากระโจมร้องเพลงกะเลียงอยู่ในลำคอเบาๆซึ่งไม่มีใครเข้าใจความหมายนอกจากระพิน์ผู้ซึ่งในขณะ น, นี้ก็ไม่มีเวลาพอที่จะสนใจสิ่งใด นอกจากคอยภาวนาเอาใจช่วยดาดินในงานกู้ชีวิตของราชินิกูลหนุ่มหัวหน้าคณะเดินทางครึ่งชั่วโมงต่อมาบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความหวังอันแช่มชื่นขึ้นสังเกตได้จากสีหน้าและแววตาของดาดินวราฤทธิ์ภายหลังจากถ่ายเทือเสร็จเรียบร้อยดาดินก็ส่งนมสดกระป๋องใหญ่ที่ชายยันเตรียมเปิดไว้แล้วไปให้แกงแง่ทรายออกคาสั่งแผ่วเบาดืม่มซีให้หมดแง่ทรายแล้วนอนพักอยู่ที่นี่แหละ อย่าเพิ่งเคลื่อนไหวไปไหนฉันต้องการให้เธอนอนหลับด้วยแต่ผมแง่าสายขยับจะงอหัวขึ้นฝ่ามือของหญิงสาวก็แตะไหลไว้นี่เป็นคำสั่งหนุ่มชาวดงชะ ง, งักมองประสานสายตาที่จ้องมาอย่างบังคับกึืนขอร้องนั้นอยู่อึจใจก็ปฏิบัติตามคำสั่งโดยดีรับกระป๋องนมมาดื่มช้าๆจนหมดแล้วเอ็นกายลงนอนตามเดิมหลับตาลง หญิงสาวหันไปมองดูร่างอันหมดสติของพี่ชายอีกครั้งสุดกายลงบนม้านั่งยกมือขึ้นรูปใบหน้าของตนเองชายยันก็ส่งบรั่นดีมาให้หล่อนรับไปดื่มรวดเดียวพร้อมกับระบายลมหายใจยาวเยือกอ่อนเปียกเพียใจสุดประมาณแต่ก็เปลี่ยมไปด้วยความหวังอันสดใสคุณชายปลอดภัยแล้วใช่ไหมครับหมอรับินถามขึ้นเบาๆเพียงแต่ผ่านพ้นวินาทีสำคัญที่สุดไปได้เท่านั้น หล่อนตอบอย่างระหวยดวงตานิดโรยมองเมอชัยยันก็ก้าวเข้ามาโอบกอดไหล่ไว้กระซิบอ่อนโยนเอาละนอนพักซิื้อเถิดน้อยเธอกระปกเปียเต็มทีแล้วเมื่อคืนก็ไม่ได้พักเลยทั้งคืนไม่ต้องกังวลอะไรหรอกฉันจะเฝ้าเชื้อฐาเองถูกของคุณชัยยันคุณหญิงควรจะพักได้แล้วพรานใหญ่พูดแผ่วต่ำ ม, มาอีกคนหนึ่งดาดินไม่อเอ่ยคาใดอีกครั้งนี้ ใช้ปลายนิ้วขยี้เบาๆที่ดวงตาทั้งสองข้างแล้วเดินโผลเพไปทิ้งตัวอย่างหมดแรงบนเตียงของหล่อนมือทั้งสองประสานวางไว้บนอกพลอยหลับไปด้วยความอ่อนเตรียวแรงภายในไม่กี่อืดใจต่อมาแง่าสายค่อยๆลืมตาขึ้นพร้อมกับยันกายะงวกหัวจะรุกขึ้นแต่รพินก ด, กดอกไว้กระซิบเจี๊ยบขาดแกก็เหมือนกันแง่ายลืมคำสั่งของนายหญิงเสร็จแล้วหรือว่าให้แกนอนพัก ถึงแกจะเป็นคนดงแกก็จเจริญพอเทียบเข้าใจอะไรได้ดีแล้วเราต้องการที่นายใหญ่และแกปลอดภัยด้วยกันทั้งสองคนอดีตนายทหารกองโจรกระเลี่ยงยักไหล่นิดหนึ่งเอ็นกายดงตามเดิมพร้อมทั้งปิดเปลือกตาลงอีกครั้งแม้จะถ่ายเลือดในกายให้แก่เชื่อถืเป็นจำนวนมากแต่ลักษณะท่าทีของแง่ายแทบจะไม่มีอะไรผิดปกติไปเลยยังแข็งแรงทระหดอยู่เหมือนเดิมราวกับไม่ได้เกิดอะไรขึ้น บัตรนี้ภายในกระจมคงเหลือแต่เพียงชายยันกับกระพินสองคนเท่านั้นที่ยืนมองตากันเงียบๆด้วยความรู้สึกที่ไม่อาจเ อ, อ่ยออกมาเป็นคำพูดได้ในเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของผมเองในที่สุดพรานใหญ่พึมพำขึ้นแหบๆถ้าผมตัดสินใจระเบิดปากด่านทั้งสี่ด้านเสียก่อนตามที่คุณหญิงบอกคุณชายคงไม่ได้รับอันตรายถึงเพียงนี้ชายยันสายหน้าอย่างไม่เห็นด้วย เดินเข้ามากอดขอระพินไว้ด้วยความรักสนิทยิ้มให้ไม่ใช่ความผิดของคุณหรือใครทั้งนั้นมันถึงค่าวที่เชื่อถืจะเคาะร้ า, ายทั้งทั้งที่เขาเองก็เป็นคนที่รอบคอบรัดกลุ่มที่สุดในคณะของเราช่วยไม่ได้จริงๆคุณและพวกเราทุกคนทําดีที่สุดแล้วในเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อคืนให้ตายเถอะไอแหว่งเล่นงานเราในครั้งนี้ทําเอายับเยินทีเดียวเกือบตายกันหมดทุกคนโชคดีที่คุณไหวทันสังระเบิดไว้ก่อน ไม่งั้นก็ยังเดาไม่ถูกว่าป่านนี้เราทั้งหมดจะอยู่ในสภาพไหนแล้วจะเอาอยัางไงกันต่อไปครับคุณชายมาเจ็บสาหัสสีอย่างนี้แล้วอดีตนายทหารปืนใหญ่อึ้งไปเล็มเม้มริมฝีปากแน่นนี่ก็กำลังเป็นปัญหาใหม่สำหรับเขาอยู่เช่นกันในเมื่อหัวหน้าคณะหรืออีกนายหนึ่งผู้นำได้เกิดมีอันเป็นไปเสียเช่นนี้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันน่าจะต้องชะงักงานล้มเหลวไปหมดอย่างน้อยก็ช่วระยะเวลาหนึ่ง ทั้งขาวหรือแดรลินก็ดีขณะนี้ย่อมไม่มีแกจิตแกใจที่จะคิดถึงเรื่องอื่นใดทั้งสิ้นนอกจากความปลอดภัยของเชษฐาเป็นอันดับแรกผมก็ยังตัดสินใจอะไรไม่ถูกเหมือนกัน ร, ระพินในที่สุดชัยยันก็เอ่ยแผ่วเบาตบไหล่ตอบผ่านฝันฝืนยิ้มให้ถ้าเปรียบการโลมรันระหว่างเรากับไอแวงเป็นเหมือนสงครามขณะนี้ฝ่ายเราก็อยู่ในฐานะเพียงพรำเสียแล้วพ่อแม่ทับกำลังแย่ อย่างไรก็ตามลอให้เขาฟื้นและดูอาการก่อนดีกว่าแผนการต่อไปค่อยวางกันภายหลังจากนั้นขณะนี้หน้าที่ของคุณมีอย่างเดียวคือหาทางป้องกันพวกเราทุกคนไว้ให้พ้นจากการโจมตีซ้ําเติมของมันอีกตั้งรับรักษาที่มั่นไว้พรางยังไม่มีการรุกอย่างใดทั้งสิน้นเอาละคุณมีธุระอะไรจะดําเนินการก็เร่งทําเถอะทางนี้ไม่ต้องห่วงผมจะดูแลเขาเอง บรรยากาศของแคมป์ตลอดทั้งวันนั้นเต็มไปด้วยความตึงเครียดขีดสุดลูกหาบเสียชีวิตไปอีกคนหนึ่งจากจำนวนทั้งหมดสิที่เหลือเท่าๆกับที่หัวหน้าคณะก็ตกอยู่ในอาการหนักอย่างที่ไม่เคยมีใครคาดฝันมาก่อนอันเนื่องมาจากผลของการบุกเข้าโจมตีของกองทัพช้างมิลตยู่ภายใต้การนำของไอ้แหว่งจอมมหาการพวกลูกหาบเริ่มจะขวัญเสียอีกครั้งและพินต้องมีการหนัก ในการปลุกปลอบใจคนเหล่านั้นรวมทั้งจัดวางแผนป้องกันย้อนรอยเขาจู่โจมซ้ำของกองทัพช้างอย่างมั่นคงแข็งแรงที่สุดทุกคนหน้าดำคล้ำเครียดแทบจะไม่มีเวลาได้พักผ่อนท่ามกลางความวิตกกังวลและกลิ่นอายของมหาภัยที่แวดล้อมอยู่ทุกขณะประมาณย่ำค่ำเชษฐาก็รู้สึกตัวได้สติขึ้นมาจัดยาสรบที่ดารินให้ไว้ระหว่างการผ่าตัดและให้เลือด แล้พินได้เห็นธาตุแท้แห่งเลือดนักต่อสู้เผชิญภัยของราชสกุลหนุ่มอันเป็นนายจ้างของเขาอย่างแจ่มชัดอีกครั้งด้วยความยกย่องคาระวะในน้ำใจทันทีที่ลืมตาขึ้นเชิฐายิ้มให้กับทุกคนราวกับว่าเขาได้ตื่นขึ้ น, นจากการหลับธรรมดาและมองเห็นภาวะอันหนักของตนเองในสายตาของทุกคนเป็นเรื่องชวนขบขันภายหลังจากรับทราบเรื่องราวโดยตลอดเกี่ยวกับตนเอง เชี่ยถาก็พยักหน้าเรียกแง่รายเข้ามานั่งใกล้เตียงส่งมือออกมาให้จับบีบกระชับแน่นฉันไม่มีคำขอบใจใดๆจะให้แก่นายได้แง่ายเขากล่าวขึ้นด้วยเสียงลึกตาจับนิ่งอยู่ที่ใบหน้าของหนุ่มพเนจรชาวดงผู้เป็นคนใช้อาสาสมัครนอกจากจะพูดว่าชีวิตของฉันตกเป็นหนี้นายสองครั้งแล้วและในครั้งนี้มันมีความหมายที่สุด ถ้าไม่มีนายอยู่ในคณะของเรานี่ก็จะไม่มีฉันอยู่ในโรคนี้อีกแล้วฉันจะไม่ลืมนายเป็นอันขาดนี่คือการรับใช้โดยหน้าที่ตามที่ผมได้ปฏิ ญ, ญาณไว้ก่อนจะออกเดินทางมาเจ้านายอย่าได้ถือว่าเป็นหนี้ใดใดทั้งสิ้นแง่าสายตอบอย่างสงบสํารวมแล้วก้มศรีรษะคานับพลางถอยห่างออกไปเชื่อมัมองผ่านไปยังใบหน้าของทุกคนที่รอมเขาอยู่ด้วยความเป็นห่วง ขอบใจขอบใจพวกเราหมดทุกคนสำหรับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อคืนถึงอย่างไรเราก็ยังสามารถไล่พวกมันให้แตกกระจายถอยไปได้คุณชายรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างครับพรานใหญ่เอ่ยถามขึ้นด้วยเสียงกระซิบหัวหน้าคณะยิ้มอย่างบึกบึนมองดูขาของตนเองที่ถูกพันหนาแน่นไว้ด้วยผ้าผันแผลหลายชั้นผมไม่อยากจะคิดว่าผมเป็นอะไรมากนักหรอกละพินแล้วก็เปลี่ยนสายตาไปที่น้องสาว ถามเสียงแหบพร่าด้วยความอิดโรยว่าแผลของพี่สักอาทิตย์พอจะเดินไหวไหมดาดินจับมือพี่ชายไปกุ่มไว้ยิ้มให้เศร้าๆพี่ใหญ่ไม่ทราบตัวเองหรอกค่ะว่าสาหัสแค่ไหนอย่างน้อยพี่ใหญ่ก็จะต้องนอนเศร้าอยู่เป็นเดือนกว่าจะปกติเรียบร้อยเหมือนเดิมสีหน้าของเชษฐาขึมลงมองไปทางชายยันกับพระพินสลับกันอยู่เช่นนั้น แผนการเดิมของเราทั้งหมดเห็นจะต้องชะงักลงชั่วข่าวเสียแล้วเชีฐาชายานพูดพร้อมกับถอนใจชะงักยังไงหัวหน้าคณะ ข, ขมวดคิ้วคิดดูแกเจ็บป่วยอยู่อย่างนี้เราไม่อยู่ในฐานะจะดำเนินการอย่างใดต่อไปได้ทั้งสิน้นอย่างน้อยก็จนกว่าแกจะข้อ ย, ยังชั่วขึ้นคนเจ็บสั่นศรีรษะแช่มช้ายิ้มของเขาปลุกปอบขวัญของทุกคน ไม่มีความจําเป็นอย่างใดที่จะต้องให้การเจ็บป่วยของฉันมาชะ ง, งักแผนการเดิมของเราเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องไอแ้แหวงเขากล่าวอย่างหนักแน่นมั่นคงแล้วหันไปทางน้องสาวน้อยบอกพี่หน่อยสิโดยอัจฉริยาภาพในทางแพทย์ของน้อยเครื่องเวชภัณฑ์ที่เราเตรียมมาอย่างครบถ้วนแม้จะเป็นใจกลางป่าลึกอย่างนี้น้อยพอจะรักษาพี่ได้ไหมได้ค่ะแต่อย่างที่บอกแล้ว ต้องอาศัยเวลาหน่อยจะให้หายทันใจคงไม่ได้แน่ชา ย, ยันล่ะตอบหน่อยสิโดยอุปกรณ์และสเสบียงกลางที่เรายังมีกันอยู่พรักพร้อมเช่นนี้พวกเราทุกคนพอจะอยู่กันไปได้จนถึงเวลาที่ฉันค่อยทุเลาขึ้นได้ไหมอ้อข้อ น, นั้นไม่มีปัญหาดีแล้วทั้งๆ ท, ท, ที่ฉันนอนเจ็บลุกไม่ขึ้นนี่ใจฉันยังไม่คิดถอยเลยแม้แต่ก้าวเดียวแกกับน้อยหมดกาลังใจท้อถอยเสียแล้วหรือสหายของเขาสั่นศีรษะ ไม่มีวันเสีละทุกสิ่งทุกอย่างมันไปนรวมอยู่ในข้อที่ว่าพวกเราเป็นห่วงแกเท่านั้นและความเป็นห่วงกังวลนี่แหละทําให้ทําอะไรไม่ได้ถนัดนักเชียดถาโบกมือสรุปอย่างเด็ดเดี่ยวว่าเพราะฉะนั้นเป็นอันหมดปัญหาไปพลางหันมาทางละพินถึงผมจะเจ็บนอนแซวอยู่กับที่ชา ย, ยันยังอยู่น้อยก็ยังอยู่คุณเองหรือแงสาย ตอจนใครต่อใครในพวกเราทุกคนก็ยังอยู่พอที่จะดําเนินงานต่อไปได้ผมนอนคอยฟังข่าวอยู่ในแคมป์ชายันกับน้อยจะดําเนินการติดตามไอแหว่งต่อไปตามแผนการเดิมคุณมีอะไรขัดข้องไหมระพินพลานใหญ่งันไปกับการตัดสินใจอันเด็ดเดี่ยวมั่นคงของหัวหน้าคณะหันไปมองดูดาดินกับชายันเหมือนจะขอความเห็นสําหรับฝ่ายผมไม่มีอะไรขัดข้องเลยครับในเรื่องนี้ ฝ่ายเราอันดีชั้นกับชัยยานสองคนก็พร้อมเสมอท่า น, นี้เป็นความต้องการของพี่ใหญ่น้องสาวใจเด็ดพอๆกับพี่ชายพยักหน้ารับคำมาเอางั้นเหรอชายยานทวนคำย้ามาเหมือนจะยังไม่แน่ใจเชษดถามงงกศีษะลงเอาอย่างงั้นเป็นอันว่าตกลงชั้นกับน้อยและพินและพวกทั้งหมดจะตามไแ้แหวงต่อไปในระหว่างที่แกนอนพักรักษาตัวอยู่ที่แคมป์ดีมาก ขอให้ทุกคนรู้ไว้ด้วยว่าการเจ็บป่วยของฉันไม่ใช่อุปสรรคสําคัญที่จะทําทให้แผนการตามสังหารไอแหวงของเราต้องชะงักหรือเลิกกลมคนเจ็บก็นอนรักษาตัวไปคนดีก็ฟาดกับมันต่อไปง่ายนิดเดียวไม่เห็นจะต้องมีอะไรยุ่งยากกังวลใจถึงอย่างไรเราก็ต้องมีสถานีพักหรืออีกในหนึ่งแคมป์ศูนย์กลางอยู่แล้วฉันนอนเฝ้าแคมป์เองใครเหนื่อยกลับมานอนพักที่สถานีกลางคนที่มีกําลังอยู่ผลัดกันออกไปฟาดกับมัน จะใช้เวลานานสักเท่าไหร่ก็มันรู้ไปถ้ามันเนิ่นนานจนกระทั่งชั้นทุเราพอจะติดตามมันได้อีกก็จะเข้าร่วมด้วยเหมือนเคยส่วนถ้าโชคดีเรากําจัดมาลงได้ในเร็ววันก่อนที่แผลของชั้นจะหายเราก็มุ่งต่อหลมช้างเลยและที่นั่นชั้นไปนอนรักษาแผลให้หายสนิท ด, ดีเสียก่อนแล้วเดินทางต่อเรื่องความเจ็บปวดของชั้นไม่จําเป็นต้อ ง, งวิ ต, ตกกังวลชั้นมีน้อยคอยดูแลอยู่แล้วสําหรับเรื่องไอแหว่งก็มีระพินเป็นหลักอยู่ทั้งคน จำไว้นี่เป็นคำสั่งแผนลายแหว่งจะต้องไม่ชะ ง, งักใดๆทั้งสิ้นล้มมันให้ได้ชายันเอื้อมอมือมาบีบไหล่คนเจ็บเบาๆเอาละสบายใจได้แล้วเชษฐาเราจะปฏิบัติตามที่แกต้องการพักผ่อนเสเถอะฉันก็คิดเหมือนกันว่าแกจะต้องหายในเร็ววันพรานพื้นเมืองและพวกผู้หาบทั้งหมดเข้ามาเยี่ยมดูอาการของหัวหน้าคณะแล้วก็พากันกลับออกไปภายหลังเมื่อดาลินให้ยานอนหลับแกคนเจ็บ คงเหลือแต่ระพินเท่านั้นที่ยังคงอยู่หาหรือกับทั้งสองอีกเล็กน้อยพรุ่งนี้ผมตั้งใจว่าจะย้ายที่ตั้งแคมป์ไปอยู่ในชายภูมิที่เหมาะกว่านี้และจะตั้งถาวร อ, อยู่ที่นั่นตลอดไปเลยจนกว่าเราจะจัดการกับไอ้แหว่งให้เรียบร้อยราบคาบจะมีอะไรเป็นอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายคนเจ็บไหมครับผ่านใหญ่หันไปถามแพทย์ประจำคณะไกลจากที่นี่มากไหมก็ประมาณไม่เกินห้ากิโลเมตรเราจะขึ้นไปตั้งค่ายอยู่บนเนินรูปหนึ่ง ห่างจากนี่ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือก็คงจะได้แต่ระวังอย่ายให้มีการกระเทือนมากนักดาดินตอบสีหน้าเต็มไปด้วยกังวลคืนนั้นผ่านไปโดยไม่มีสิ่งใดแผ่วผ่านเข้ามารบกวนใกล้เคียงบริเวณแคมป์ท่ามกลางเวียนยามที่จัดไว้อย่างแข็งแรงรวมทั้งการวางแผนป้องกันในรอบนอกอย่างรอบคอบรัดกลุ่มหากว่าจะมีการย้อนรอยบุกซ้ำของโขลงไอ้แว่งอีก เพินนอนหลั บ, บ, บ ต, ตื่นสะดุ้งผวาตลอดทั้งคืนมันเป็นคืนแรกแห่งชีวิตในป่าของเขาที่ไม่อาจหลับสนิทลงได้เพราะความวิตกกังวลนาน า, นานชนิดคิดไม่ถึงมาก่อนเลยว่าในเส้นทางเดินช่วงระยะแรกก่อนจะไปถึงหล่มช้างนี้คณะเดินทางภายใต้การรับผิดชอบโดยตรงของเขาจะเกิดภัยพิบัติใดๆจนถึงแก่ชีวิตของชาวคณะขึ้นมันดูจะเป็นรางร้ายอย่างไรพี่คน ทั้งๆ ท, ที่การเดินทางมหาวิบาศเสียงภัยแท้จริงยังไม่เริ่มต้นลูกหาบเสียชีวิตไปแล้วตามลำดับถึงเจ็ดคนและที่ร้ายกาจที่สุดก็คือเชษฐาอันเป็นหัวหน้าคณะยังมาได้รับอันตรายขั้นสาหัสเข้ากลางคันอีกเหตุร้ายทั้งหลายที่เกิดขึ้นมันเกินกว่าที่เขาจะสามารถแก้ไขป้องกันได้ทั้งๆ ท, ที่ใช้ความพยายามขีดสุดแล้วไม่เคยมีครั้งไหนที่พรานใหญ่ปรากฏกิติศัพท์ สมยานาบกล้องไปทั่วเช่นเขาจะได้รับความหนักใจเช่นในครั้งนี้ยังโชคดีอยู่บ้างที่คณะนายจ้างทั้งสามและพวกลูกหาบทั้งหมดไม่มีใครคิดว่าเป็นความบกพร่องของเขาเลยเพราะตาก็รู้เห็นเหตุการณ์กับตาตนเองดีอยู่แล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเหตุเหลือวิสัยอันจะโทษสิ่งใดไม่ได้นอกจากชะตากรรมของแต่ละคนแต่ถึงเช่นนั้นกระผินก็เต็มไปด้วยความอึดอัดกัดกรุ้มเหลือที่จะกล่าว ในวิกฤตการณ์ที่แวดล้อมอยู่ขณะนี้